วันนี้เป็นวันพระเดือนสิขึ้นสิ้าคัมแห่งทุกขกักเป็นวันที่ชุมนุมของพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าทั้งพิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสำหรับผู้ไฝ่ในธรรม การประชุมเช่นนี้ด้ว่าเป็นการประชุมเพื่อสนทนาธรรมหนึ่งเพื่อฟังธรรมหนึ่ง <c oughs> เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมคำสอนของพพุทธเจ้าด้วยว่า จิตใจของคนเรานี่นะมันถูกโลกดึงดูดเอาเสื้อมาเป็นระยะระยะเลยทีเดียวเวลาเกิดขึ้นมาทีแรกเป็นเด็กเป็นเล็กโลกมันก็ดูดเอาให้เมาในการเล่นการหัวไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรนะพอจะเจริญ วัยขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอาก็เมารักเมาใครเพืดอเพลินในกามคุณไม่ค่อยได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่อง้นทางพ้นทุกข์อะไรอันนี้ถูกความรักความใคร่มันดึงดูดเอาจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว มีแต่พุ่งไปหาสิ่งที่ตนรักตนชอบใจ <c oughs> อาเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วเอามาประครบประง ม, มกันมาดูแลรักษากันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากเดี๋ยวว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแหละ ส่งขอนควายหาปัจจัยเครื่องอาศัยมาบำรงบำเรอกันก็ <c oughs> <c oughs> <g år> มาเมาในการแสวงหาปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นเห <c oughs> ล่านั้นเนี่ยกันอยู่อย่างนั้นนี่พูดถึงว่าสําหรับผู้เมา่ะไอผู้ตื่นอยู่กับหงมีอยู่แต่ว่ารู้มันจะมีจํานว น, นน้อยสําหรับผู้เมาเนี่ะเป็นส่วนมากเลยทีเดียว เมื่อถูกกิเลสหรือว่าโลกดึงดูดเอาอย่างรุนแรงอย่างนั้นมันจึงไม่สนใจในทางธรรมเพราะว่ามันตกอยู่ในอิทธิพลของโลกไปซะแล้วจิตใจนั้นต่อเมื่อได้เข้าวัดเข้าวามาบ้างเมื่อมาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสําหรับผู้มีอุปนิสัยวาสนาติดตามมาแต่ก่อนก็รู้สึกว่าตื่นตัวกันได้ พอได้รู้สึกตัวว่าตนของเรานี่ยังบกคร่องความสุขความจเจริญอยู่มากมายสมควรที่จะแสวงหาความสุขให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้สุขเท่าที่เป็นอยู่นี่นับว่าไม่เพียงพอผู้ใดตื่นตัวแล้วมันก็มารู้ตัวอย่างนี้แหละเพราะการทําบุญต่างๆวันนี้มันก็มุ่งผลคือความสุขนั่นเอง ไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้นะก็แสดงว่าความสุขที่มีมาแล้วนั่นมันมันบกพร้องไปนะมันยังไม่เพียงพอเลยเพราะฉะนั้นนะ่ยคนเรามางคน จ, จึงต้องสแสวงหาความสุขผู้ใดคิดเห็นทางไหนว่าเป็นหนทางแห่งความสุขก็เอากันเลยขวนขวายกันผู้ใดเห็นว่า มีเงินมากมากเละมีความสุขอย่างนี้นะมันก็ดิ้นหาเงินกันเนาะเนี่ยผูใ้ใดเห็นว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงแหะมีคนนับถือมากมากหละมีความสุขดีอ่มันก็ไปทําในสิ่งที่จะให้คนนับถือหรือหน้าทําอะไรให้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้น ให้คนทั้งหลายได้รู้อย่างนี้แหละมันก็แสวงกันไปอย่างนี้แหละการที่แสวงนั้นล้วนแต่ต้องการความสุขทั้งนั้นเลยแต่แล้วมันก็ได้อยู่หรอกความสุขแต่มันได้ความสุขชั่วคราวอย่างนี้แหละดังนั้นผู้มีอุปริสัยวาสนามาแต่ก่อนแล้วเมื่อมันเมาไปอย่างนั้น บุญว่าธนามากระตุน้นใจทำให้หัวระลึกได้มองเห็นความสุขที่ได้รับอยู่นั้นมีน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วความทุกข์นั้นมากมายกายกองผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็จึงต้องแสวงหาความสุขที่สูงไปกว่านี้อันแล่ <c oughs> ดังที่พุทธริษัทได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในวัดวาอาราม ผู้สมทานศีลห้าก็มีสมทานศีลนโวสถก็มีแล้วก็อยู่จำศีลนุโสถในวัดวาอารามก็เพื่อสำรวมกายวาจาใจของตนให้สงบระ ง, งับจากอารมณ์ภายนอกให้มันมีตั้งแต่ความรู้สึกทราบซึ่งในบุญในกุศล ในคุณพระรัตนไกลที่เราเคารพนับถือบูชาอยู่นี่นะเป็นอารมณ์อยู่เมื่อให้มันมีอารมณ์ภายนอกเข้ามาแทรกแซงอันนี้ะท่านจึงเรียกว่าจำสินอุโบสถอุโบสถครานี้แปลว่าเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ก็หมายความว่าน้อมสติสมัมปชัญญะเข้ามาควบคุมจิตใจอยู่ภายใน ไม่ให้ใจมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ภายนอกอันนี้แหละคำว่ารักษาสินุโสดนะเพราะว่าสินุโสดแปดข้อนั่นนะเมื่อเราพิจารณาดูแล้วล้วนแต่เป็นเครื่องทำใจให้สงบตั้งนั้นถ้าใครเข้าใจรักษาแล้วนะแต่คนผู้ที่ไม่ต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วมันก็ไม่พอใจที่จะรักษา เรื่องของเรื่องนะเช่นอย่างต่อจากสินห้าไปข้อหกนั่นก็เป็นอันว่าตัดกังวลลงได้เรื่องการกิ น, นเรารับประทานเสียครั้งเดียวแล้วมันก็สบายไปเลยไม่ต้องไปกังวลในวันนั้น น, น, นี่มันก็ทำให้กิเลสมันเบาลงส่วนหนึ่งแล้วนี่นะสินข้อนี้ <c oughs> เพราะว่าความยุ่งยากความวุ่นวายอะไรมันจะไปเท่ากับความวุ่นวายในการหาอาหารมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันเนี้ยนี่เป็นความวุ่นวายมากกว่าอย่างอื่นเลยทีเดียวเพราะว่าอาหารนี่มันกินกันทุกวันนี่วันละสองครั้งสามครั้งทีนี้เมื่อไม่มีเงินจ ะ, จะไปจ่ายตลาดอย่างนี้มันก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้ว <c oughs> อ น, นีนะ้เงินทองมีพอเล็ก ๆ, ๆน้อยๆจ่ายไปน่นหนึ่งก็หมดอา่าววันนี้จะไปหาเอาด้วยจะต้องพักน้าแรงที่ไหนอย่างทุกวันนี้เนะี่ยยากแล้วอพราะไม่มีที่จะหาเลยที่ไหนก็เป็นแต่สวนแต่นาะเป็นแต่บ้านแต่ช่องไปหมดเลยแต่ก่อนเป็นป่าเป็นดงมีเอต้นมากลากไม่มีผักมีอะไรเป็นป่าเป็นดงอยู่ ก็พอที่จะไปหาเก็บมาต้มมาแกงกินได้อยู่บ้างแต่ทุกวันนี้ไม่มีทางเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนมันก็ต้องพิจารณาให้เห็น <c oughs> ที่นณาให้เห็นว่าการบริโภคอาหารพร่าเพื่ออย่างว่านี่มันเป็นทุกข์หลายพูดแล้วนะมันเป็นกังวลมากแล้วกับเป็นเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรมต่างๆนั่นนะ ก็เพเรื่องการอยู่การกินนี่เองเนี่เราคิดดูให้ละเอียดลงดูก็ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีศรัทธามารักษาศีลเช่นอย่างพระภิกษุสามนเณรอย่างนี้เขาเรียกผู้ยินดีได้เข้ามาบวชอย่างนี้ฉันเข้าคาบเดียวหนึง่งอย่างนี้นก็อยู่กันไปได้มันก็เลยตัดกงังวลเรื่องอาหารลงมากมาย แล้วก็ไม่ได้ทํำบาปอะไรเพราะเรื่องอาหารแม้ทายกทายิกาาวันไหนได้มาวัดมารักษา อ, อโบสดศินอย่างเนี้มันก็ตัดกังวลในเรื่องอาหารลงมากมายนอกจากตัดกังวลเรื่องอาหารลงไปแล้วมันก็ยังมีผลสะท้อนถึงจิตใจทําใจให้สงบเยือกเย็นอืมไม่ไม่เป็นาทาาแ่งความหิวความอยากเพราะว่าเมื่อได้ ตกลงใจว่าจะรักษาจะละเวน้นแล้วอย่างนี้มันก็ต้องมีสติสำรวมใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อให้มันวิตกวิจาร์าไปในเรื่องนั้นเช่นนี้แหละมันก็จึงเรียกว่าเป็นศีลอันบริสุทธิ์ได้ <c oughs> เมื่อสำรวมได้อย่างว่า น, นี้มันก็สบายทั้งร่างกายทั้ง จ, จิตใจแม่ศีลข้อที่เจ็ดนั่นก็เหมือนกันแหละ นี่สำหรับคนหนุ่มคนสาวถ้าว่ามีศรัทธามารักษาศีลอุโบสถแล้วในวันนั้นคืนนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนกับการประดับตกแต่งร่างกายหรือการไปเสียเงินเสียทองค่าดูมหัศจรรย์บเงินต่างๆหมูอนี้นะก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอทั้งร่างกายและจิตใจก็ปลอดโปร่งดี สำหรับผู้ที่ไม่พัวพันไปด้วยรูปรสกินเสียงต่างๆอย่างว่านั่นนะแล้วสิิงข้อที่แปดนั้นเอนก็เหมือนกันเนี่ยบางคนก็คือว่าอยู่บ้านอยู่เรือนนี่มันก็ต้องนอนผูกเบาะหมกม้อนนั้นอ่อนนุ่มนิ่มอันนีน้อันเป็นเหตุให้ติดอยู่ในการหลับการนอนคนเราเนี่เมื่อได้นอนอยู่ในที่อ่อนนุ่มนี่มมันเข้าไปแล้วมันไม่อยากลุกแล้ว หลับแล้วหลับอีกอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้ า, าว่าได้เวน้นจากที่นอนอย่างว่านั้นมานอนในที่เรียกว่าเป็นสถานที่เรียบๆอย่างนี้มันก็เรียกว่าไม่นุ่มนวล น, น ะ, ะเช่นนี้นอนหลับไปก็นอนนานไม่ได้มันเจ็บมันก็ต้องตื่ น, นมันปลุกให้ตื่นแหละตื่นมาไหวพระนั่งสมาธิภาวนา ทำความเพียนนี่การที่บุคคลมาเว้นจากที่นอนที่นั่งอันหรูหราอันอ่อนนุ่มนิ่มต่างๆมันก็มีผลอย่างนี้แหละมันทำให้ปลุกให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาสมาธิอันนี้เราต้องพิจารณาดูไอ้สำหรับผู้รักษาอโวโสถศีลเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้เห็นคุณค่าของศีลอย่างนี้ เมื่อรักษาไปแล้วมันก็ทำให้ได้รับความเบากายเบาใจเช่นนี้จึงได้เรียกว่าอุโบสถแปลว่าเข้าไปอยู่เข้าไปสงบอยู่ภายในคือว่าเป็นผู้มีสติสมัมพรมตาหูจมูกกลิน้นกายใจไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามตาที่ได้เห็นลูกหูที่ได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิน่นลิ้นได้รับรสอาหาร กายได้สัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งหมนี่ควบคุมจิตไว้เมื่อได้ถูกต้องในอารมณ์ต่างๆนี้ไม่ให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอันนี้แหละคำว่ารักษาโสดนะขอให้เข้าใจความหมายเมื่อผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้ว การรักษาศีลอุโบสถก็ย่อมมีผลมีอานิสงส์มากไม่เหลือที่จะคานาทีเดียวแหละเพราะพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้มากในยไมย่ที่จะอานิสงส์แห่งการรักษาโบสถศีลเนี่ยแลวเขาว่าอย่างว่านักบวชอย่างนี้นะเป็นพระภิกษุสามเณรโมนีก็มีนะอะ่เรียกว่าได้รักษาเหมือนกันหมด เริ่มแต่สินห้าแล้วก็มาสินแปดแล้วก็สินสิบสุดยอดก็สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดเอายังไม่ยอดดีบานได้อยอดแท้ๆก็อาชีิวปริสุทธิสินสี่นั่นนะอันนี้แหละการรักษาสินนี่มันก็เป็นขั้นขั้นขึ้ น, นมาโดยลำดับสำหรับ พระศาสดาทรงบัญญัติไว้ต้อนรับบุคคลผู้มีศรัทธาปัญญาแข็งแรงแก่กล้าการที่รักษาศีลให้สูงขึ้นไปอย่างว่านี่มันก็ต้องอาศัยศรัทธาปัญญาแก่กล้ามันยึงค่อยรักษาได้ถ้าศรัทธายังอ่อนอยู่ก็รักษาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจากนั้นพระพิฆตุสามเณรก็เหมือนกันนะ มันต้องปลูกศรัทธาความเชื่อในศีลในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ให้แรงกล้าไว้ในใจของตนจริงๆเนี่ยมันก็จึงจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปได้แม่ทายกทายิกาก็เหมือนกันนะเมื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนลงไปแล้วศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนวพินกำลังใหญ่อันสำคัญนะ ทำให้คนเราภาคเพียพรพยายามกระทำคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องมีปัญญาคู่กันเนะนี่ยพูดแล้วเลยว่าศรัทธากับปัญญานี่เนะี่ยนะับว่าเป็นคุณธรรมอันสำคัญนะส่วนสมาธินั้นเนะ่ะมันก็บางคนก็ไม่สามารถที่จะทำสมาธิให้ละเอียดละ อ, อได้ เพียงจะมีสติประคองขิดของตนให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วอย่าให้ใจมันเอียงไปในทางอากุศลธรรมแล้วมันก็นับว่าดําเนินไปได้แล้วเรียกว่าเจริญปัญญาไปได้แล้วก็สามารถละกิเลสได้เหมือนกันน ะ, ะเป็นอย่างนั้นบางคนก็ว่าภาวนาจิตใจไม่สงบเลยไม่ทราบจะทำอย่างไรออมีอยู่ หลายอยู่ทีเดียวที่พูดกันมาแบบนี้เนะี่ยก็ก็เนื่องจากว่ามันไม่รู้กฎเกณฑ์หรือว่าไม่รู้ฐานะของตนเองไม่พิจารถึงวาสนาบารมีของตนนั่นเองนะ่เรื่องมันนะเพราะว่าผู้ที่มีวาสนาบารมียิ่งกั่วกันก็มีย้อนกั่วกันก็มี อย่างนี้แหละผู้มีวาสนาบารมียังย้อนอยู่เช่นนี้นะจะไปบำเพ็ญทางจิตใจให้สงบร ง, งับจนไม่รู้สึกตัวอะไรไปโน่จนวัดดับเวทนาสัญญาอะไรตัวอะไรให้ได้หมดจึงจะเรียกว่าภาวนาเป็นอย่างนี้นี่สายแล้วเกิดอีกก็ยังไม่ได้เพราะว่าตนไม่มีอุปนิสัยติดตามมาแต่ชาติก่อน ผู้ที่เพื่อนทำได้นั่นแสดงว่าแต่ชาติก่อนโน้นเพื่อนพอใจทำมาเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาแล้วเมื่อเกิดมาในชาตินี้บุญเก่านั่นน่ะมันก็มาโดนจิตให้ชอบใจภาวนาให้สงบระ ง, งับละเอียดละออลงไปพอใจในการเจริญฌานให้เกิดให้มีขึ้น นี่เมื่อมันเกิดสันท่าเพื่ออย่างนี้นะมันก็ภาคเพียพรพยายามไปประกอบกับบุญเก่านั่นมาหนุนส่งด้วยก็สามารถเป็นไปได้เรื่องโมนีนะมันเป็นไปด้วยอำ น, นาจแห่งวาสนาบา ร, รมีให้พากันเข้าใจผู้ใดเมื่อทําความเพียรเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่บรรลุจุดหมายอย่างที่ว่านั่นได้ ก็พอที่จะรู้ได้แล้วว่าวาสนาบารมีของตนไม่ถึงไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะขอแต่ว่าอันจิตใจที่มันไม่สงบนั่นน่ะมันชอบคิดน้อนคิดดีนั้นขอจะให้มันคิดไปในทางบาปนี่นะสำคัญนะให้พากันเข้าใจเช่นคิดเรื่องการฆ่าการเบียดเปียน อย่างนี้นะนั่นเรียกว่าคิดไปในทางบาปนั่นแหละหรือว่าคิด อ, อยากสนุกสนานด้วยการดื่มน้ำเมาสุราเมลัยต่างๆหมนี่ความคิดพุ่งไปอย่างนั้นมันล้วนแต่เป็นความคิดเป็นบาปเป็นโทษทางนั้นแหละความคิดแบบมักง่าย ไม่อดไม่ทนภาคเพียนพยายามทำความเพียร น, นี่คิดอยากอยู่สบายสบายการ ท, ทาการงานอะไรยากนิดหน่อยก็ไม่สู้แล้วไม่เอาแล้ว อ, อย่างนี้นะอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ก้าวหน้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ควรสรองเสรกับความคิดอย่างว่านี้ก็ไม่ควรที่จะไปเดือดร้อนมันควรกำหนดรู้ว่า ความคิดนี่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรไม่ผปดตัวเป็นตนอะไรอย่าไปถือมัน่นมันเลยนี่ก็มีสติเตือนจิตใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ให้ใจมันเพ่งเห็นความคิดเหล่านั้นว่าไม่ไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปอยู่อย่างนั้นเราเพียงแค่กำหนดรู้เท่าไปไม่ยินดียินร้ายกับความคิดต่างๆหมู่นั้นมันก็ไม่มีโทษอะไรหรอก เป็นได้เพียงว่าใจมันไม่สงบลงไปอย่างละเอียดละอ่เท่านั้นแหละท <c oughs> ีนี้เมื่อเราเดินทางปัญญาไปเรื่อยๆไปมันก็สามารถที่จะบรรเทากิเลสตัณหาลงได้สามารถที่จะละบาปความชั่วทั้งต่างได้อยู่เรือมันเนะ่ะเพราะว่าจิตเราไม่ไม่ชอบกับบาปอากุศลต่างๆแล้วนี้มันไม่คิดไปทางบาปทาง อ, อากุศลอกุศลเนี่ยถ้ามันคิด อย่างว่าผู้คลองเลือนอย่างนี้มันก็อาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพไปการคิดอ่านการงานทำมาหาเลี้ยงชีพมันก็ต้องมีสติควบคุมไปด้วยถ้าว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาควบคุมไปมันก็จะคิดเลยเถิดไปคิดไปแล้วไม่ได้สมหวังก็กุ้มใจอย่างนี้เรียวความคิดมันมีพิษ แบบนั้นนะมันไม่รู้เท่าความคิดตัวเองเมื่อตอนเองคิดอ่านการงา น, นงต่างๆก็เราก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยว่าเอาเราคิดลงไปแล้วแลวเขาต้องทำเมื่อทำลงไปแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาไม่มุ่งหวง100ังร้อยเอร์เซนการงา น, นงต่างๆเนี่ยมันก็สุดแล้วแต่มันจะ เกิดดอกออกผลมาเท่าไรแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นแหละไม่ต้องเดือดร้อนนี่สําหรับคนที่คิดอ่านการงานถ้าประกอบด้วยสติด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนหรอกคิดแล้วเห็นลู่ทางที่จะต้องทําการงานอย่างนั้นเมื่อทําไปแล้วจะมีผลดีเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อคิดเห็นอางนั้นก็ลงมือทําไปมันก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนอะไรอ่ะ เมื่อทําไปแล้วมันได้ผลมาไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว็ช่างเราก็หวนนึกถึงของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเราจะทำใได้สมหวังมาจากไหนนอย่างนี้เนะี่ยไม่ว่าคารื้อหัดไม่ว่านักบวชอันอันความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างนี้เนะี่ยมันมันต้องมีประจําใจทุกคนนะ เพราะว่าจะเป็นนักบวชก็ตามเครื่อหัดก็ตามเราทําอะไรไปในจใจไม่ได้สมหวังทั้งหมดนะไม่มีนั่นแหละบางสิ่งก็ได้สมหวังบางสิ่งก็ผิดหวังไปผู้ใดไม่คิดล่วงหน้าไม่รู้เท่าล่วงหน้าแล้วเมื่อมันผิดหวังมาก็เอาแล้วกุ้มใจใหญ่เลยเดือดร้อนแล้วเป็นอย่างนั้น <c oughs> นั่นไม่ใช่เป็นหนนทางพ้นทุกข์แบบนั้นนะ่ะ มโนนทางเดินไปสู่ทุกข์โดยตรงเลยครันดังนั้นแหละการปฏิบัติธรรมนี้ก็คื อ, อยังเราพยายามพิจารณาดูวัฒนานาบุญของตัวเองนี่แหละก่อนอื่นน่ะก็เมื่อรู้ว่าวัฒนานาบุญของเรามันมีเพียงแค่นี้แหละอย่างนี้นะเอาสมมติว่าเราทําใจให้สงบลงได้เพียงแค่นี้แล้วจะให้ยิ่งไปกว่านี้ก็ทําไม่ได้อย่างนี้นะ อา้าเราก็พอใจอยู่นั้นก่อนไปก่อนอก็ให้รู้ว่าอินทรีย์เรายังไม่เก่กร้ามันก็ได้แค่นี้ก็เอาแต่ว่าเราก็พยายามรักษาอย่าให้มันถอยหลังมันได้ทา น, นก้อกรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้สม่ำเสมอไปก่อนอย่างนี้แหละ เ, เมื่อทำไปทำไปอินทรีย์เป็นเก่กร้าเข้าไปแล้วมันก็ค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆอค่อยก้าวขึ้นไป อย่างนี้แหละจนจิตสงบลงไปแต่ก่อนไม่ได้นานเลยหันทาไปไม่ท้อไม่ถอยเข้าอ้าวมันก็บ่เกิดสงบไปได้นานกว่านั้นไปอย่างนี้แหละมันอยู่ที่ความเพียร น, นะทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมันจะก้าวไปได้นั้นเพราะความเพียรแท้แต่ว่าความเพียรอันนี้มันก็ต้องไปกรอบไปด้วยสติปัญญาอีกด้วยเหมือนกันแหละอันเรื่องสติปัญญานี่ทิ้งไม่ได้เลยทาอะไรทุกอย่าง มันต้องมีสติปัญญานี่ประกอบไปด้วยเลยไม่เช่นนั้นแล้วการกระทามันอาจจะผิดพลาดไปก็ได้อาจจะถูกก็ได้ไม่แน่นอนเลยแต่ถ้าเราใช้ปัญญาติดตามไปใช้สติสมบัติชัญะควบคุมจิตใจให้รักษาความคิดความเห็นอันนั้นให้มันสมองเสมอไปเช่นนี้แล้วกา ร, การงานต่างที่ทาไปนั่นทางผิดพลาดไม่มีน้อยเต็มทีละ ไม่ค่อยผิดพลาดนะอะเป็นอย่างนั้นเมื่อรักษาจิตใจตัวเองไปแล้วนะเมื่อทําการงานอะไรไปอย่างเนี้เพราะการงานต่างๆมันเกี่ยวกับคนนี่ถ้าใครไม่รักษาจิตใจตัวเองนะ่ะสักหน่อยก็คนอื่นเขาก็ท่องกระทั่งมาจิตใจตนเองหวันไหวแล้วก็เอาอะไรวันนี้ตอบโต้กันไปเลยทะเลาะวิวาทกันก็แตกสามัคคีกัน งานที่ร่วมจิตร่วมใจร่วมไม่ร่วมมือการทํา้นมันก็ไปไม่ตลอดเพราะว่ามันรวมหัวกันไม่ได้อย่างนี้แหละนี่ความที่ไม่ไม่คุกผลนจิตใจไม่ควบคุมจิตใจตัวเองให้เป็นปกติอยู่ในคุณธรรมอันดีงามอย่างว่านั้นนะใจที่มันไม่ตั้งมั่นตอคุณงามความดีได้แล้วอย่างนี้ จะไปคิดอ่านทำการงานอะไรไปมันก็ไม่สาเร็จเรื่องมันนะเพราะว่ามันมันไม่ตั้งมั่นนี่มันเหล่อแหละ เ, เมื่อกระทบถูกกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วรากปปลิวไปเลยอย่างงี้นะแล้วมันจะสำเร็จไปได้ยังไงการงานต่างๆทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันนะในทางธรรมนี่เรามารักษาสีเร็จไปได้ยังไงการงานต่างๆ ทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันนะในทางธรรมนี่เรามารักษาศีลเรามาเจริญสมาธิภาวนากันอยู่เนี่ยเรามาฝึกขัดเจริญปัญญาอย่างนี้ถ้าว่าเราไม่ควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไม่ได้แล้วปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วการที่จะกระทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้สม่ำเสมอไป ก็ทําไม่ได้เพราะว่าใจมันเหลวไหลเมื่อใจมันเหลวไหลแล้วมันก็ส่งคิดไปตามแต่อารมณ์ภายนอกนูน่นคิดส่งออกไปนอกวัดนูน่นออถ้าผู้อยู่เรือนในเรือนในบ้านก็ส่งออกนอกบ้านนอกเรือนตันออกไปนูน่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะไปทําการงานอันที่ตนตั้งเป้าหมายไวนะ้นั้นมันจะสําเร็จได้ยังไงอะ เ้าอย่างว่าจะมุ่งจะทําใจให้สงบอย่างนี้นะก็เมื่อตอนเองปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปอยู่นั้นไม่จะไปทําความสงบได้อย่างไรอะ่ะเนี่ยนะขณนเมื่อตนตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นเราก็พยายามมีสติสัมปชัญญะซ้ำรวมระวังใจไปทุกอิริยาบถอะไรอย่างนี้อประคับประคองขีดตัวเองไว้อย่าให้มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไป ต, าต่างๆอย่างว่านั้นนะ เมื่อควบคุมจิตไว้ได้อยู่เนี่ยเวลาเข้าไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปจริงๆนะมันก็สามารถที่จะทําใจสงบลงได้เพราะใจไม่ได้ยึดเอาอารมณ์ภายนอกไว้มากมายคนระับมันกําหนดละไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะอะจิตใจมายควาว่าว่างจากอารมณ์ต่างๆอยู่เลยคนะดังนั้นเมื่อเราไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปมันก็ไม่ได้เอกด มันไม่ได้กำหนดกฎขี่จิตใจอันนี้ให้มากมายอะไรไม่ได้คมคู่จิตใจอันนี้มากมายครับพอว่าน้อมลงไปเพ่งพิจารณาตามลมหายใจเข้าออกลงไปอย่างนี้เมื่อมันไม่มีไม่ยึดถืออารมณ์ภายนอกไว้แล้วมันก็ค่อยดิ่งลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะมีวิตกวิจารณ์บ้างก็ไม่ไม่รุนแรง เมื่อเราตั้งสติเข้มแข็งเข้าไปแล้วความคิดแัะนนะั้นมันก็ระงับดับไปเรามีสติควบคุมความรู้สึกอันนั้นนะอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นนะไม่ท้อไม่ ถ, อ, มถอยแล้วมันไม่หวมันไม่ฟังมันต้องสงบลงได้แน่นอนน ะ, ะที่มันสงบลงไม่ได้นันก็เพราะว่าใจไม่เข้มแข็งส ต, ติก็ไม่เข้มแข็ง อใจก็อ่อนแออย่างนี้นะพอเกิดทุกขเวทนาอะไรขึ้นมาเรหนึ่งก็หวั่นไหวไปแล้วมันจะสงบได้อย่างไรอ่ะแบบนั้นนะ่ะเพตอะ น, นั้นเมื่อเรานั่งสมาธิเข้าไปน้อมจิตเข้าไปแล้วมันจะเกิดสุ ข, ขเวทนาหรือทุก ข, ขเวทนาอย่างไรขึ้นมาเนี่เราก็ไม่ห ว, วั่นไหวเรามุ่งเพ่งความรู้สึกอันเดียวนั่นอยู่อย่างนั้น ไม่ให้มันปรุงแต่งความคิดความนึกต่างๆขึ้นมาอพยายามประคองความรู้สึกอันนั้นไว้เสมอๆไปอย่างนี้แน่นอนเลยถ้าว่าสติมันประคองไว้อยู่นั้นมันมันจะคิดอะไรต่ออะไรไปไม่ได้อเมื่อมันคิดไปไม่ได้แล้วมันก็มีแต่จมลงสู่ความสงบเท่านั้นนะจิตนี้นะอะดิ่งลงไปสู่ความสงบเท่านั้นเอง เพราฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้นะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปดังแสดงมาขอยุดติดลงเพียงเท่านี้